เอ่อสําหรับตอนนี้ก็ <c oughs> สิกขาบทที่ 6 ภิกษุรับนิมนต์ด้วย เป็นไว้แต่สมัยคือการจีวรและเวลาทําจีวร ไอ้คําว่าโภชนะ 5 นี่ผมถือ 2 ถ้าเขาเดือน ถ้าเขาปวารณาไว้กําหนดเท่าใด เออก็คือว่าอย่างสมัยสงครามอินโดจีนเวลา ไม่มีอะไรหนักไหมครับ 10 เวลา ว่าเป็นเรื่องของเขาเรื่องการลบ น้ำเมวันนี้แบ่งเป็นสมมะพ несколько สุราคือของที่กล่นแล้วหมาย racketання ของที่ จงภิกษุจี้ภิกษุโตบัดปาจิตตีกรรมว่า การไม่เอื้อเฟือในพระวินัยนี้พระพุทธเจ้า ให้ภิกษุหลอนภิกษุอื่นให้กลัวผี นี่เอาเฉพาะเวลาที่เพียงเวลาหนาวเท่า คือจังหวัดกลางแห่ง 15 วันถ้ายังไม่ถึง 15 วันอาบ เวลาที่ผมไปไม่ใช่สมัยพระพุทธเจ้า ไส้การที่อยู่ในกลางใจของประเทศนี่ 15 วันต้อง 15 วันอาบน้ําต้อง ที่ว่าก่ายพืชเครื่อง แผ่นพิฑุนี่มีความประสงค์ 2 อย่างคือทํา กันผ้าซ้ํากันก็ เวลาเราจะคือเรื่องหมายความมาทําเป็นเกี่ยวข้องร่วมกัน ว่ากันแบบไทยๆก็พอ 10 คือๆ เอ่อ 10 สิกขาบทอิสุแกล้งฆ่าสัตว์เดชาน อย่าไปทำนะไปทํานะทําก็ดู เราฆ่าสัตว์ 227 มันจะมีได้ พระภิกษุรู้อยู่ว่าอธิกรณ์นี้ๆ พระแปลผู้เบิดมีจรณะสิบห้าครบมีบรรมีสิบครบและก็ละนิวรห้าทรงพรมิหารสีมีทิมบาทสีและก็มีคำปฏิญาณว่านิฟานัศาสาชีกริยา เป็นอย่างหาเรื่องหาราวทะเลาะกันพวก นี่หมายความว่าเพื่อน เพราะการปกปิดขึ้นมาปีแม้บรรทปีนี้บวชแล้ว ได้กินร่วมกัน เพราะว่าท่านผู้นั้นไม่ แต่รู้ว่าถ้าพระไปด้วยเขาไม่ตรวจภาษีรู้อยู่ว่าถ้าพระไปด้วยเขา แต่นี่ก็ยังมีข่าวดีอยู่นี่ก็ 3 สิงหาคม 2520 เมื่อตอน เอามาแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีมาแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีถ้า แล้วอันนี้ต้องเสียให้เขานะครับเอิ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ภาษี นี่หมายความว่าเดินไปเฉพาะ 2 ต่อ 2 นะ 1 5 องค์องค์ อง, 9 คน 10 คน นี่ต้องหมายความไป อาจิเตยตัวนี้คนคัดค้านก็หมายถึง ani jako sunkwell nekorap. Ká visok, kop visok, king goodi, ru noang goodi. Tohle je bádžiti, koťin diokan kap, tenkokarika, to je kop kap, to je to je bádžiti, to je bádžiti, to je to je to je to ท่านพระองค์นั้นท่านลงอเวจีแล้วท่านท่านองค์ ท่านแกสงสัยว่าทําไมน่ะๆแกก็ มีมัธัมมิกะ 8 มี 12 สิกขาบท 1 แบบนี้ก็ไม่ใช่พระท่านบอกว่าธรรมดาของผู้ นี่น่ากลัวจะไปไม่ได้กี่ศีฆาบทเพราะ สำหรับวันนี้ผมก็ไม่อยากจะรบ นักภมจรรย์เนี่ย 1 ระเบียบ 2 จรณะ 15 ต้องปฏิบัติให้ 10 าร, า, 4 นิรวณ์ 5 รายการนี้ต้องทำลายไปอกติ อย่าทำให้พลาดพลังขึ้นมากจะใช้คำว่าไม่รู้